สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมผู้ไฝ่ไการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้มาเตรียมตัวออกเดินทางกันเพราะพวกเราจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปตลอด วัในใดวันหนึ่งเราก็ต้องออกจากโลคนี้ไปถ้าเราไม่เตรียมตัวอะไรไว้เลยเวลาเราไปเราจะไม่สามารถเลือกจุดหมายปลายทางไปได้ว่าเราจะไปทิศเหนือหรือเราจะไปทิศใต้เราจะไปสุขหรือเราจะไปทุกข์ ถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเหมือนเวลาที่เราต้องเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องเตรียมตักสิ่งต่างๆให้พร้อมเช่นต้องทําหนังสือเดินทางต้องไปขอวีซ่าใบาอนุ ญ, ญาตเข้าประเทศต้องไปจองตั๋วเครื่องบินต้องไปจองที่พักโรงแรม หรือไปซื้อทัวให้บริษัททัวร์พาเราไปกินไปอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายต้องเตรียมเงินทองไว้ใช้ใจ่ายเงินทองที่เราใช้ในประเทศนี้เราไม่สามารถเอาไปใช้ที่ต่างประเทศได้จะใช้ได้ก็ต้องไปแลกที่แลกก็อาจจะไม่สะดวกเหมือนกับอยู่ที่นี่ อยู่ที่นี่เราสามารถแรกได้ที่ที่เราอยู่ใกล้บ้านเราที่ไหนที่มีธนาคาร<ม>เราก็ไปแรก เ, เงินสกุลของประเทศที่เราจะไปไปได้จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายยุ่งยากกับการไปหาที่แรกเงิน<ม>หรือบางท่านก็อาจจะเอาเงินเข้าบัญชี แล้วมีใช้บัตรเครดิตไปถึงก็กดเอาใช้บัตรเครดิตเอารูดเอานะถ้าไม่ได้เตรีมสิ่งเหล่านี้เวลาที่ไปมันจะไปลาบากจะไปขึ้นเครื่องถ้าไม่มีตั๋วก็ขึ้นไม่ได้จะไปออกนอกประเทศถ้าไม่มีหนังสือเดินทางก็ออกไม่ได้ จะไปเข้าประเทศอื่นถ้าไม่มีวีซ่าใบอนุญาตเข้าประเทศก็เข้าประเทศก็ไม่ได้ถ้าไม่เตรียมเงินเกียรทองไว้อก็จะไม่มีเงินทองติดตัวไปก็จะไปแบบผู้อุปยบที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมอะไรไว้พอเกิดเหตุการณ์ถูกบังคับให้ต้องออกนอกประเทศกัน ก็ต้องไปอยู่ตามชายแดนเดินเดินไปตามชายแดนแล้วก็ไปอยู่ตามค่ายอพยพแล้วก็ต้องไปอาศัยข้าวปลาอาหารจากองค์กรสาธารณะภูมิศลต่างๆที่จะมาช่วยดูแลให้พออยู่ประทังชีพไปวันๆหนึ่งแต่จะไปไหนก็ไปไม่ได้จะกลับประเทศเราก็ ก็กลับไม่ได้จะเข้าประเทศอื่นเขาก็ไม่ให้เข้าถ้าไม่เตรียมตัวเตรียมการไว้ถ้าเราเตรียมตั๋วไว้เตรียมหนังสือเดินทางเตรียมวีซ่าไว้เตรียมเงินเตรียมทองไว้พอถึงเวลาเราก็เที่ยวกระเป๋าขึ้นเครื่องไปได้เลยเวลาของเราก็เหมือนกับเวลาที่เราไปติดรถที่สี่แยกไฟแดง เวลาไฟแดงเราก็ต้องนั่งจอดรอให้ไฟเขียวก่อนพอไฟเขียวปับ๊บเราก็ขับต่อไปได้ชีวิตของเราจะยุติลงเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้อันนี้ไฟยังแดงอยู่เรายังไม่ต้องออกเดินทางกันเราอยู่ในโลกขณะนี้ตราบใดที่เรามีลมหายใจอยู่เวลานั้นก็ถือว่าเรายังติดไฟแดงอยู่ เรายังไม่ต้องออกเดินทางออกจากโลกนี้ไปแต่พอเวลาที่เราหยุดลมหายใจเมื่อไหร่เวลานั้นก็กลายเป็นไฟเขียวไฟเขียวที่จะส่งให้เราต้องออกจากโลกนี้ไปและการออกจากโลกนี้ไปนี้ก็มีทางเลือกอยู่ที่เราสามารถเลือกได้ในขณะ ที่เรามีชีวิตอยู่ในตอนนี้แต่ถ้าเราไม่เลือกเราไม่เตรียมตัวทาเหตุที่จะพาให้เราไปจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุขที่จะเราได้เราก็อาจจะไม่ได้ไปก็ได้เวลาตายไปจิตเรานี้ก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณไปเป็นจิตตัวเดียวกันนี่แหละ ที่กำลังนั่งคิดกำลังนั่งฟังนั่งรู้อยู่นี่ที่รู้ที่คิดนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้รับเสียงเข้าไปในหูแล้วก็ส่งไปให้ที่ใจผู้รู้ผู้คิดนี่เองพอไม่มีร่างกายเสียงก็ไม่มีเข้าหูใจก็ไม่มีอะไรให้เสก ใจไม่สามารถใช้ร่างกายต่อไปได้ใจก็ต้องแยกออกจากร่างกายไปนี้จะไปไหนนี่ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้ว่าเราทำเหตุปัจจัยที่ดีหรือไม่ดีเวลาตายไปนี้ดวงวิญญาณจะไปอยู่สามจุดด้วยกัน ไปอบายไปอบายก็ไปอยู่ตามโลกของเดรัจฉานโลกของเปรตโลกของอสุรกายโลกของนรกนี่ทางเลือกทางหนึ่งก็คือไปสู่ทุกขติอีกทางหนึ่งก็คือไปสู่สุขติคือไปสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นคง แล้วทางเลือกที่สามก็คือไปนิพพานไปแบบไม่กลับตีตั๋ววันเวทิเก็ตตีตั๋วใบเดียวไม่ไม่ตีตั๋วกลับส่วนใหญ่พวกเราเวลาเดินทางไปต่างประเทศเรามักจะตีตัวตต๋วกลับไปเที่ยวสักอาทิตย์สองอาทิตย์3าอาทิตย์แล้วเดือนหนึ่งล้วก็ กลับมาใหม่มีตั๋วกลับบ้านแต่ความจริงบ้านที่เรากลับมานี้ไม่ใช่เป็นบ้านที่แท้จริงของเราเดี<ม>๋ยวเราก็ต้องไปจากบ้านนี้บ้านที่เราอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เป็นบ้านที่แท้จริงบ้านที่แท้จริงของพวกเราก็คือพันิพานนีที่เราจะตีตั๋วแบบตีตั๋วไปเที่ยวเดียวไม่ไม่ตีตั๋วไปกลับไม่ต้องประหยัดเงินเพราะเราไม่ต้องเดินทางกลับประหยัด ตีตั๋วเที่ยวเดียวประหยัดกว่าตีตั๋วสองเที่ยวตีตั๋วสองเที่ยวนี้มันก็สองเท่าตีตั๋วเที่ยวเดียวก็เท่าเดียวแต่ถ้าตีตั๋วแบบไปกลับเขาก็อาจจะลดให้ลดเปอร์เซ็นต์ให้แต่เราไม่กลับเราจะไปแบบไม่กลับแล้วเราก็ตีตั๋วแค่เที่ยวเดียวก็พอนี่คือทางที่ดวงวิญญาณของพวกเราจะไปกัน ตอนนี้เราเลือกได้เราสามารถเลือกตีตั๋วได้ว่าเราจะไปอาบายดีไหม mm hmm. เราจะไปสวรรค์ชั้นเทพดีไหมเราจะไปสวรรค์ชั้นพรหมดีไหมหรือเราจะไปนิพพานสวรรค์นิพชั้นนิพพานตอนนี้เราสามารถเลือกได้และเราโชคดีที่ตอนนี้เรามีคนมาช่วยบอกให้เราเลือกคนที่รู้ว่าที่ไหนดีที่สุด mm hmm. เคยไปมาแล้ว พระพุทธเจ้าเคยไปเที่ยวนิพพานมาแล้วว่าเป็นที่ที่ดีที่สุดเป็นบ้านที่แท้จริงของพวกเราเป็นบ้านที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขไปตลอด ม, มีความอิ่มความพอไม่มีความหิวความโหยความอยากกับอะไรไม่มีการต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ <S S S S นานเราโชคเราจะได้เจอคนฉลาดคนที่รู้ ทิศทางของสถานที่ต่างๆรู้ถึงสภาพของสถานที่ต่างๆว่าที่ไหนดีที่ไหนไม่ดี mm. อันก็นจะบอกเราว่าอย่าไปอบายนะอบายนี้มันไม่ดี mm. ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี้มันไม่ดีระหว่างเปรียบเทียบดูก็แล้วกันระหว่างการเป็นมนุษย์กับเป็นสัตว์เดรัจฉานอันไหนมันจะดีกว่ากันเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้อง ไม่มีอะไรมาคอยเลี้ยงดูมันมันต้องคอยดิ้นรนหากินเองแล้วต้องคอยป้องกันตัวมันเองมีภัยรอบด้านที่หลบแดดที่หลบฝนหลบแดดหลบพิษหลบภัยต่างๆก็ไม่มี mm. การอยู่การกินการอยู่มันไม่สุขไม่สบายเหมือนกับการได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราไปสร้างเหตุที่ทําให้เราไปต้องไป เกิดเป็นเดรัจฉานเราก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่มีใครที่จะมาห้ามห้ามเราได้เพราะนี่มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทํากรร ม, มันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น<ม>เหตุที่พาให้เราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือการทํำบาปบาปนี้มีอยู่ห้าข้อสี่ข้อด้วยกันคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การรักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการโกโหกหลอกลวงการดื่มสุรายาเมานี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการกระทำบาปแต่เป็นการการะทำที่จะสนับสนุนให้ไปกระทำบาปได้ง่ายถ้าเราเดื่มสุร า, าแล้วเมาแล้วเราก็นอนอ ม, มันก็ไม่ไปทำบาปแต่อย่างใดแต่ถ้าเราเดื่มแล้วเราไปขับรถอย่างนี้ มืนเมาขับรถก็อาจจะไปชนคนตายได้หรือไปทะเลาะวิวาดกับคนอื่นได้ง่ายเพราะเวลาเมาแล้วมันมีอารมณ์ไม่ดีแล้วหากหักห้ามอารมณ์ที่ไม่ดีไม่ได้อยากจะด่าคนนั้นอยากจะทุบตีคนนี้แต่ถ้าเรามีสติไม่ได้ดื่มสุรายาเมาเอาเรารู้ว่าเราจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ยับยั้งได้ นี่คือข้อที่ห้าคือการดื่มสุรายาเมาเป็นอบายามุขเป็นผู้ที่จะสนับสนุนให้ไปทำบาปได้ง่ายคนที่เมากับคนที่ไม่เมานี้ะจะต่างกันคนที่เมานี้กิริยาการจะไม่เรียบร้อยไม่สุภาพจะทำอะไรให้ผู้อื่นเสียหายได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มึนเมาไม่ได้ดื่มสุรายาเมา แต่บาปจริงๆนี้เกิดจากการไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเช่นไปฆ่าผู้อื่นือไปลักทรัพย์ของผู้อื่นือไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นเขานื้อบุตรธดาของผู้อื่นเขาโดยที่ไม่ได้รับการยอมรับตามกฎประเพณีหรือว่าไปหลอกลวง เพื่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ที่ไปถูกหลอกลวงนี่แหละคือการกระทำบาปสี่ข้อถ้าทำทำบาเพื่อการเอาตัวรอดเพื่อการยังชีพอันนี้จะเป็นเหตุที่จะพาให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะจะคิดเหมือนสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องอยู่ด้วยอยู่ อยู่ให้ตัวรอดด้วยการไปเบียดเบียนผู้ไปกัดไปกินสัตว์ที่เล็กกว่าสัตว์ที่อยู่ในป่าเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยการฆ่ากันเพื่อเพื่ออยู่รอดถ้ามันไม่ฆ่ามันก็อยู่ไม่ได้ยันใดถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็คิดแบบนี้ว่าถ้าไม่ได้ทำอาชีพที่ต้องไปเบียดเบียนผู้เราจะอยู่ไม่ได้ก็เลยไปทำอาชีพ หรือใบกระทาการกระทาที่ทำให้ผู้เขาเสียหายเดือดร้อ น, นเช่นไปลักขโมยเงินทองของผู้มาใช้อย่างนี้นี่คือนิสัยของสัตว์เดรัจฉานพอจิตกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์ก็ตามแต่ผู้ที่จะไปนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายของมนุษย์ ร่างกายของมนุษย์ทุกคนก็ไปที่เมนไปที่หลุมฝังศพไม่ได้ไปที่ไหนต่อแต่ดวงวิญญาณนี้ถูกกำหนดไว้ด้วยพฤติกรรมด้วยการกระทำของตนเองแล้วว่าตนทำตนเองเหมือนเยี่ยงกับสัตว์เดราฉานเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองด้วยการเบียดเบียนพูดอะไรว่าทำบาปด้วยความหลง ไม่รู้ว่านี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ควรกระทำทำแล้วจะมีโทษตามมาก็คือไปเกิดเป็นสัตว์เนราชาแล้วจะเกิดนานเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการเบียดเบียนของเราว่าเราไปเบียดเบียนพูดมากน้อยเพียงไรไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากน้อยเพียงไรก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตเหล่านั้นฆ่าเป็ดฆ่าไก่ หนึ่งตัวก็กลับไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่หนึ่งครั้งถ้าฆ่าเป็ดฆ่าไก่ร้อยครั้งก็ต้องกลับไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่ร้อยครั้งเป็นต้นนี่คือการที่เราจะไปที่ใหที่หนึ่งขึ้นอยู่ที่การกระทําของเราไปเป็นเดรัจฉานก็เพราะว่าทําบาปด้วยความหลงทําบาปเพื่อเอาตัวรอดเอาทําบาปเพื่อเลี้ยงชีพของตัวเอง ถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากร่ำอยากรวยเร็วๆง่ายๆก็ไปช่อกงไปโกโหกหลอกลวงหรืออาจไปทําอาชีพฆ่าคนก็ได้เป็นมือเปืนรับจ้างอาชีพนี้มันได้เงินดีแล้วก็งานไม่ยากเพียงแต่เอาเปืนไปยิงคนตายแค่นั้นเองก็ได้เงินมาเยอะแยะ คนที่อยากจะโลภอยากจะได้เงินแบบง่ายๆมากๆเร็วๆก็มกักจะใช้วิธีการกระทำบาปไปทำงานนี่มันก่ามันจะได้เงินได้ทองมาแต่บาทนี้มันยากเย็นสู้ไปขโมยไม่ได้หรือไปช่อโกงหลอกลวงคนอื่นไม่ได้เราได้ยินได้ฟังข่าวข่าวไหม ช, ช่อโกงหลอกลวงคนเป็นหมื่นเป็นพันได้เงินมาเป็น หลายร้อยล้านหลายพันล้านก็ไปหลอกให้เขาหลงเชื่อว่าทําตามที่เขาบอกแล้วจะร่ำจะรวยขึ้นมาใช่คนที่รวยไม่ใช่คนที่ทําตามคนที่รวยก็คือคนที่มาหลอกเราให้ทําตามของเอาหลอกเอาเงินเราไปแล้วหลอกให้เราคิดว่าเราจะได้เงินเหล่านี้กลับคืนมาเป็นกอบเป็นกรรมแต่พอผลปรากฏขึ้นมาเออ ก็รู้ว่าถูกหลอกอพวกแชร์ลูกโซ่ต่างๆนี้ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนเยอะอลงทุนไปหนึ่งเท่าได้เงินกลับมาเป็นหลายสิบเท่าด้วยกันอย่างนี้ใครๆก็อยากจะได้คนที่ถูกหลอกนี้ไม่ไม่ไปเป็นเปรดนะอันนี้คนที่ถูกหลอกถึงแม้ว่าจะโลก แต่เขาไม่ได้ไปทำบาปเขาไม่ได้ไปทำให้ใครเสียหายเขาทำให้ตัวเขาเองเสียหายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของเขาไม่ฉลาดพอแต่คนที่มาหลอกเนี่ยมาหลอกเอาเงินไปนแล้วบอกว่าจะทำให้เขาร่ำรวยขึ้นมาแล้วเขาไม่ร่ำรวยคนที่มาหลอกเนี่ยนะเป็นคนที่ทำบาปด้วยความโลภ ดวงวิญญาณก็จะไ ป, ไปเป็นเปลืคือไม่ได้ ไ, ดไม่ได้ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเกิดเป็นสัตว์ในราชาล์<ม>ต้องอยู่เป็นดวงวิญญาณแบบหิวโหวยมีวิธีเยยวาความหิวโหวยวิธีเดียวก็คือมารอรับส่วนบุญของญาติพี่น้อง<ม>ที่เขาอาจจะทําบุญส่งไปให้บ้างเล็กๆน้อยๆ บุญที่ส่งไปนี่ก็เป็นเหมือนกับเงินที่ให้ขอทานนี่ไม่มีใครให้เงินขอทานเป็นกรอบเป็นกำหรอให้ก็เพื่อพอประทางชีพของเขาไปวันๆหนึ่งทนั้นเองอันนี้ก็คือทําบาปด้วยความโลภจะพาให้ดวงวิญญาณนี้ไปเป็นเปรตทันทีหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ถ้าทำบาปด้วยความกลัว<ม>กลัวว่าจะถูกเขาทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนไม่ ว, ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามถ้าเราคิดว่าเขาจะมาทำร้ายเราเราทำเพื่อป้องกันตัวเราเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาป<ม>ถ้าคือถ้าไปทำให้เขาเจ็บช้ำเจ็บเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือทำให้เขาตายไปอย่างนี้เป็นต้น เราป้องกันตัวเองได้โดยที่ป้องกันไม่ให้เขามาทำร้ายเรา<ม>เราหลบเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยหรือไปแจ้งตำรวจให้มาช่วยจับคนร้ายอย่างนี้แต่เราไม่ควรที่จะไปฆ่าเขาไปทุบตีไปทำร้ายเขาห้ามปรามเขาได้ป้องกันได้แต่อย่าไปทำบากอย่าไปทำให้เขาต้องอ ถึงแก่ความตายเรืถึงกับการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเป็นต้นถ้าทําบาปด้วยความกลัวดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความกลัวะจะอยู่แบบหวาดระแวงหวาดกลัวไปตลอดเวลาดวงวิญญาณแบบนี้เขาเรียกว่าอสูรละกายแล้วถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรม ร่างแค้นกันฟันต่อฟันตาต่อตาใครทำเราแล้วเราต้องตอบโต้ อ, อย่างอย่างแสนสาหัสตอบโต้ อ, อย่างหลายเท่าด้วยกันเขาเขามาตีเราเราก็ฆ่าเขา อ, อย่างนี้การทำร้ายกันด้วยความมาฆาาพยาบาทก็จะทำให้ดวงวิญญาณเป็นนรกขึ้นมาเป็นไฟนรกเผาผลาญความมาฆาาพยาบาทนี้จะเป็นเหมือนไฟ ไฟที่อยาก่อยเผาผลาญจิตใจอยู่เรื่อยๆจะหาความสุขท่ามกลางไฟนรกนี้ไม่ได้เลยนี่คือสถานที่ที่ดวงวิญญาณของพวกเราจะไปกันถ้าพวกเราไม่รักษาศีลไม่ละนับการกระทําบาปถ้าปล่อยให้กระทาบาปตามตามรู้คามรู้สึกนึกคิด อยากจะเลี้ยงดูตัวเองแบบง่ายๆไม่ต้องไปทํางานทําการก็ไปรักขโมยไปทําอาชีพที่มันง่ายไดย้คือการค่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ก็จะไปเป็นเดรัจฉานถ้าอยากได้เงินมากๆก็เช่นเดียวกันก็ทําอาชีพทํำบาปด้วยการช่าโกงรักทรัพย์อะไรต่างๆไปคือสําหรับสัตว์เดรัจฉานนี่เขาเอาพออยู่พอกิน เขาไม่ได้เอยากจะร่ำอยากจะรวยจากการทำบาปเขาเพียงแต่ทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพเขาเท่านั้นเองแต่เปรตนี้มันไม่ได้ทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพมันทำบาปเพื่อให้มันร่าให้รวยให้มีเงินมีทองเพื่อจะได้เอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขต่างๆมาเสกอ่ะต่างกันนะทำบาปด้วยความด้วยความหลงทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองกับทาบาปด้วยความโลภนี่ต่างกัน ทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นอสุรลกายทำบาปด้วยกามาคาดปียาบาตก็ไปนรก<ม><ม>เราสามารถที่จะปิดประตูอบายได้<ม><ม>ด้วยการไม่กระทำบาปรักษาศีลห้าให้บหริสุทธิ์แอย่างน้อยก็อย่าให้บาปมันมากกว่า บ, บุญก็แล้วกันถ้าเรายังไม่สามารถที่จะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ได้ เพราะเรายังอาจจะมีอาการพลังเผอมีอาการขาดสติอาจจะไปทำบาปบางครัง้งบางคราวเราก็มาสายการมาทำบุญทาทานเพราะว่าการทำบุญทาทานนี้จะส่งดวงวิญญาณของเราไปอีกที่หนึ่งจะส่งดวงวิญญาณของเราไปสวรรค์ชั้นเทพมีอยู่หกชั้นด้วยกัน ถ้าเราทำบุญทำทานเช่นไถ่บาทรบริจาคเงินทองให้กับใครก็ได้ให้กับวัดกับโรงเรียนกับโรงพยาบาลกับพ่อแม่กับผู้มีพระคุณทั้งหลายเป็นการตอบแทนบุญคุณแสดงความกตัญญูกะตะเวทีทำบุญทำทานถ้าเราทำมากกว่าบาปที่เราทำบาปก็ยังจะไม่สามารถส่งผลได้เพราะบุญมีกําลังมากกว่า บุญก็จะส่งผลก่อนดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะไปอบายแล้วอยากจะไปสวรรค์เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเราก็ต้องทําบุญให้มากกว่าทําบาปทําบาปให้น้อยที่สุดเท่าที่เท่าที่จะห้ามใจได้เวลาห้ามใจได้ก็ห้ามไปแต่บางครั้งอาจจะห้ามใจไม่ไหว อาจจะลูกแก่โทสะโมหะโลโลภะขึ้นมาเราก็มีวิธีสกัดกั้นผลของบาปไม่ให้เกิดขึ้นก่อนด้วยการไปทําบุญทําทานกันให้มากๆทําบุญทําทานให้มากกว่าบาปที่เราทําไว้ถ้าเราทําบาปน้อยเราก็ทําบุญไม่ต้องมากเหมือนกับให้มันมากกว่าบาปที่เราทําก็พอเราก็ไม่ต้องไปอับอายแนละ้ว แต่ไม่ในมายความว่าจะไม่ได้ไปอบายตลอดถ้าวันข้างหน้าเกิดบุญมันน้อยกว่าบาปขึ้นมาเมื่อไหร่บาปก็ยังสามารถดึงใจให้ไปรับผลในอบายได้ต่อไปอันนี้ทางเลือกที่สองก็คือไปสุขติทางเลือกแรกก็คือไปทุกขติคือไปอบายสีเราสามารถไม่ไปทางนั้นได้ถ้าเรามันรักษาศีลเช่นทุกวันพระเราก็มาถือศีนกัน วนธรรมดาเาอาจจะไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ครบแต่ต่อ ว, วันพระอย่างวันนี้เราอาจจะต้องบังคับตัวเราเองให้รักษาศีลห้าให้ได้เพราะว่ามันอาจจะง่ายกว่าวันอื่นเพราะว่าวันพระนี้เป็นวันที่เราหยุดทํางานกันเป็นวันที่เราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครเราก็อาจจะไม่มีอะไรมาคอยล่อใจเรา ให้ไปทําบาปได้ง่ายกว่าวันอื่นๆไอ้อวันพระท่านถึงเรียกว่าเป็นวันศีลวันรักษาศีลกันมาปิดเอามอปิดประตูาบายด้วยการรักษาศีลห้าแล้วก็เปิดประตูสวรรค์ด้วยการทําบุญทําทานทําบุญทําทานตามกําลังของเราไม่ต้องกังวลว่าเงินตัวเงินจะมากจะน้อยบุญไม่ได้เกิดที่ตัวเงินตัวอย่างเดียว คนทําทำเงินทำบุญน้อยบาทสองคนนี้อาจจะได้บุญไม่เท่ากันก็ได้ขึน้นอยู่กับว่าเขาบา ร, าริจาคเงิงนร <Yeah. S 1> ้อยบาทนี้เป็นสับเป็ <Yeah. S 1> นส่วนเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของของทรัพย์สินของเขาเช่นถ้าเขามีพันบาทเขาทำร้อยบาทนี้เท่ากับทําน้อยละน้อยละสิบร้อยละสิบอีกคนนึงมีหมื่นบาทแล้วทำร้อยบาท เขาทำค่าร้อยละหนึ่งใช่นั้นคนที่มีเงินหมื่นบาทนี้ทำบุญร้อยบาทนี้ได้บุญน้อยกว่าคนที่มีเงินพันบาทแล้วทำบุญร้อยบาทเพราะว่าทำบุญมากกว่ากันมากเพราะมันดูที่สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินที่เราทำไปไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวเลขของเงินว่าร้อยบาทหรือพันบาทเพียงอย่างเดียวดูที่ทรัพย์ สั่วนหปอร์เซนของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ฉะนั้นคนที่มีเงินมากก็ต้องก็ต้องทํามากกว่าคนที่มีเงินน้อยถ้าอยากจะได้บุญเท่าๆกันได้ความรู้สึกเท่าๆกัน<ม>บุญคือความรู้สึกสุขใจเนี่ยเวลาเราทําอะไรไปเราต้องเสียสละอะไรไปเนี่ยมันเราจะลืมมีเราจะมีความรู้สึกมีความสุขใจในตัวเราเองนี่เราจะเห็นความแตกต่างเวลาเราทําบุญ ร้อยละสิบกับเวลาทําบุญร้อยละยี่สิบเนี่ยความรู้สึกมันจะมีสุขมากน้อยไม่เท่ากันเช่นถ้าเรามีเงินหมื่นเราบรจากไปหนึ่งพันเราทำร้อยละสิบแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่มีความสุขไม่มีความจุใจมีสุขแต่ยังไม่สุขอยากจะทํามากกว่านี้ก็ทําไปร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบเพิ่มไปอีกสองเป็นสองพันเป็นสามพัน 3, มันจะมีความรู้สึกว่าเรามีความสุขมากขึ้นเพราะเราได้ทำมากขึ้นอ น, นี้คือการวัดบุญไม่ได้วัดที่ตัวเลขเพียงอย่างเดียววัดที่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่เราเบริจาคไปซึ่งแต่ละคนก็บริจาคมีบริจาคเปอร์เซ็นต์ของเงินที่มีไปไม่เท่ากันจํานวนเงินก็ไม่เท่ากันถึงแม้จะบริจาคเปอร์เซ็นต์เท่ากันสิบเอร์ซนเท่ากันแต่จํานวนเงินก็อาจจะไม่เท่ากัน 10% ของคนมีพันบาทก็ร้อยบาทสิบเซของคนมีเงินมื่นบาทก็ต้องพันบาทสิซของคนที่มีแสนหนึ่งก็ต้องหมื่นบาทแต่ทั้งถามคนนี้ได้บุญเท่ากันเพราะทำบุญสิบเเท่ากันคนที่มีพันบาทบริจากไปร้อยหนึ่งก็สิบเปคนที่มีมื่นบาทบริจากไป ไปพันหนึ่งก็ได้สิบเปอร์เซ็นคนที่มีแสนหนึ่งบริจากไปหมื่นบาทก็ได้สิบเปอร์เซ็นเท่ากันคนสามคนนี้ถึงแม้ว่าทําบุญเงินไม่เท่ากันก็ตามแต่ได้บุญเท่ากัน <S <S ต้องดูที่ตรงนี้เแล้วเราจะได้ไม่น้อยอกน้อยใจหรือหรือหรือ ร, ร, ร, ร, รู้สึกว่าเราไม่สามารถทําบุญได้มากเพราะเราเป็นคนยากจนเรามีคนเราเป็นคนที่ไม่มีเงินทางมาก ทำบุญไม่ได้มากอันนี้ไม่จริงทุกคนสามารถทำบุญได้มากเท่ากันเพราะมันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่เราบริจาคไปเปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินที่เราบริจาคไปไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขเราจะได้สบายใจเราไม่เราเราจะได้ไม่ต้องไปดูเวลาคนอื่นเขาทำบุญเท่าไหร่เราต้องเราต้องไปดูตัวเลขของคนอื่นเขาเราต้องพยายามทำให้เท่าเขาอันนี้ไม่ไมจำเป็นเราดูที่ เงินที่มีอยู่ในกระเป๋าเราว่าเรามีเท่าไหร่เราแบ่งไปได้เท่าไหร่อันนี้ก็คือเรื่องของการทำบุญที่จะทำให้ใจเรามีความสุขความสุขใจนี่แหละที่จะเป็นสวรรค์ที่จะพาใจของเราให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆเขาถึงแบ่งสวรรค์ไว้หกชั้นด้วยกันชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็อยู่ที่สัดส่วนของเงินที่เราบริจาคไปคนถ้าบริจาคทรัพย์สินหนึ่งในหก ก็ได้ชั้นที่หนึ่งถ้าบอยจากสองในหกก็ได้ชั้นที่สองเพาความสุขมันมากขึ้นถ้าบรยจากสามในหกก็คือครึ่งหนึ่งก็ได้ชั้นที่สามถ้าบริจากสี่ในหกก็ได้ชั้นที่สี่ตนที่บริจากห้าในหกก็ได้ชั้นที่ห้าตอนที่บรยจาอทั้งหมดเลยมีเงินทองเท่าไหร่ก็ไม่เก็บเอาไว้ ใช้นอกจากเก็บแบ่งไว้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นที่เหลือนี้ไม่เอาไปใช้อย่างอื่นเลยเอาไปทําบุญหมดคนบางคนก็เป็นอย่างนั้นนะเขาไม่สนใจกับการที่เอาเงินไปซื้อของฟุม่มเฟือยไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปซื้อของหรูหราอะไรต่างๆเขาเอาเงินเหล่านี้มาทําบุญหมดเลยนคนเหล่านี้แหละจะได้สวรรค์ชั้นสูงเพราะเขาทําเขาทําหมดเลยเท่าที่เขาเท่าที่เท่าที่เขามีอยู่ แต่เขาก็ต้องแบ่งไว้สําหรับเลี้ยงเลี้ยงตัวเขาด้วยส่วนนี้เราก็ไม่ถือว่าเป็นส่วนที่จะต้องเอาไปทําบุญคนเราก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้ว เ, เลี้ยงชีวิตของเราเลี้ยงร่างกายของเราให้อยู่ได้เงิน um. ส่วนนี้เราก็กันเอาไว้ได้พอเราการเงิ your, <ม>นที่เราจำเป็นที่จะต้องเอาไว้ใช้การเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วส่วนที่เหลือนี่แหละเป็นส่วนที่เราสามารถเอาไปทําบุญได้หมดเลย<ม>ถ้าทําบุญได้หมดก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงสุดเถ้าแบ่งไป ทำครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งขอเอาไปเที่ยวก่อนไปซื้อของฟุ่มเฟือยก่อนไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้ออะไรต่างๆก่อนอันนี้ก็จะได้เพียงครึ่งเดียวถ้าแบ่งไปครึ่งเดียวบางคนนี่เขาไม่สนใจกับการหาความสุขจากการซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช้ไปจากการไปกิ น, ไ ป, นไปดื่มไปดูไปฟังไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆเอามาใส่บาตรเอามาทําบุญะ คนบางคนนี่เงินเดือนน้อยกว่าคนที่มีเงินเดือนเยอะกว่าแต่ทําบุญมากกว่าเพราะเขาไม่ได้เอาเงินของเขาไปใช้อย่างอื่นเลยคนที่มีเงินเดือนมากกว่านี้บางทีจะเอาไปใช้กับของฟุ่มเฟือยกันเอาไปเที่ยวกันไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังอะไรกันต่างๆเงินที่จะเอามาแบ่งทําบุญกันเลยแบ่งมาได้เพียงไม่มากไม่เหมือนกับคนที่เขาไม่เที่ยวไม่กินไม่ดืม่มไม่หาความสุขจากการมา การมาคุณห้าคือรูปเสียงจิตรดโผฏฐะเพราะก็เห็นว่าความสุขที่ได้จากการทําบุญนี่มันมีความสุขมากกว่าการความสุขที่ได้จากการไปซื้อรูปเสียงจิตรดชนิดต่างๆมาเสกกันเขาก็เลยทําบุญอย่างเดียวไม่ไปเที่ยวไหนคนบางคนที่ใส่บาตรที่ใส่บาตรนี่เห็นใส่ทุกวันถางก็ไม่ไปเที่ยวไห น, น, น, นเร า, า, าไม่ไป ไ, ไม่รู้จะไปไหนทําบุญวันเพียงแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว อันนี้แหละคือบุญที่จะทําให้ใจมีความสุขใจที่ทําให้เป็นบุญที่จะพาให้ดวงวิญญาณนี้ไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆหกชั้นด้วยกันแต่ต้องมากกว่าบาปที่เราทํานะถ้าเกิดมาทําบาปที่มันหนักมันมากกว่าบุญที่เราทําแล้วบาปต้องส่งผลก่อนบุญก็ยังต้องรอไว้ก่อนบุญไม่หายไปไหนบุญต้องรอเปิดเหมืนชิดซ้ายให้ให้บาปเขา นำหน้าไปก่อนเหมือนกับรถพยาบาลเวลาเราวิ่งไปตามท้องถนนแล้วเขาเปิดไฟแวบบ็แบๆบแบบส่งสัญญาณขอทางอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องชิดซ้ายปล่อยให้รถพยาบาลเขาไปก่อนอย่ใดบุญหรือบาปก็แบบเดียวกันถ้าบุญมากกว่าบาปเนี่ยบุญมันก็จะเบียดให้บาปนี้ชิดซ้ายไปก่อนขอให้บุญไปส่งผู้โดยสารก่อนนะถ้าบาปมันมากกว่าบุญบาปก็จะเบียดให้ บุญนี้ลดบุญนี้ชิดซ้ายไว้ก่อนแล้วให้ให้บาปลดบลดบาปนี้ไปก่อนไม่ส่งผู้โดยสารไปอบายก่อนอันนี้ก็คือเรื่องของทิศทางที่เราจะเลือกไปหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วนี่เราสามารถเลือกไปสุคติก็ได้สุคติก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆหกชั้นด้วยกันนี้นะสุคติหรือจะไปอบายก็ได้มีอยู่สี่ที่ด้วยกัน ขึ้นอยู่กับเหตุของการทำบาปว่าเราทำบาปด้วยเหตุผลนันใดเราก็จะไปตามสถานที่เหล่านั้นนี่เราเลือกได้แต่ถ้าเราได้มาถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงค์นี้เราอาจจะไม่รู้เรื่องราเหล่านี้ก็ได้แล้วเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องโมเมกันขึ้นมาแต่เรื่องเรื่องเพ้อเจ้อเรื่องเพ้อฝันเรื่องงมงายคนเยอะที่ไม่เชื่อในกฎแห่งกรรม เขาคิดว่ากฎแห่งกรรมนี่เป็นของหลอกรวมกันใครใครทำกรรมใครตายไปแล้วใครไปรับผลกรรมเขาไม่รู้ไงเขาเพียงเห็นแต่ร่างกายเห็นว่ามีมีตัวตัวเขามีแค่ร่างกายเท่านั้นเส่วนจิตใจคือความรู้สึกนึกคิดก็คิดว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสมองมาจากสมองเวลาร่างกายตายไปร่างกายผู้เป็นกระทาบาปบุญไปจะไปรับผลที่ไหนได้อย่างไร พราเมื่อร่างกายตายไปก็ต้องไปวัดหรือไปไ ป, ไปเมรุือไปสู่สุสาน mm hmm. เขาก็เลยไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเขาคิดว่าตายแล้วศูนย์ค mm ือ hmm. ตายแล้วก็จบไม่มีอะไรตามมาต่อไปไม่มีภพชาติตามมา mm hmm. เพราะเขาไม่รู้เรื่องดวงวิญญาณหรือเขาไม่รู้เรื่องดวงจิตดวงใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย mm hmm. เป็นตัวสําคัญในการทําบุญและในการทํำบาป เป็นตัวกระทาเลยส่วนร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับคําสั่งเป็นเหมือนลูกน้องเป็นเหมือนคนใช้หรือเป็นเหมือนเครื่องมือเครื่องมือเช่นรถยนต์นี่เวลาเราขับรถไปชนคนตายนี่ใครไปติดคุกติดตารางเขาเขาจับรถไปติดคุกติดตารางหรือว่าเขาจับคนขับไปติดคุกติดตารางเขาเอาคนขับไปเพราะเขารู้ว่ารถยนต์นี้เป็นเพียงเครื่องมือ รถยนต์นี้เขาไม่มีความรู้สึกนึกคิดเขาไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจที่จะไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนแต่คนขับนี่มีเจตนามีความรู้สึกนึกคิดเป็นผู้สั่งให้ละขับให้รถยนต์ไปชนคนนั้นชนคนนี้ขึ้นมาเขาจึงจับคนขับรถไปลงโทษเขาไม่ขับเขาไม่จับรถยนต์ไปลงโทษอัในใดร่างกายก็ไม่ได้เป็นผู้กระทําบุญหรือกระทําบาปร่างกายไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาป เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเขาไปรับไม่ได้ผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปก็คือใจละรับตั้งแต่ยังไม่ตายด้วยซ้าไปไม่ได้จะรับเฉพาะตอนที่ตายไปแล้วพอทาบุญปั๊บใจก็มีความสุขขึ้นมาได้สวรรค์ขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้พอทำบุญอีกครั้งหนึ่งก็ได้สวรรค์เพิ่มขึ้นอีกส่วนสวรรค์นี้ก็จะสะสมในใจใจนี้ก็จะเป็นเหมือนธนาคารบุญธนาคารสะสม บุญที่เราทาไว้เช่นเดียวกับบาปเ<ม>วลาเราทำบาปปั๊บทุกทุกใจก็เกิดขึ้นมาทันที<ม>ใจก็เป็นที่สะสมความทุกข์ใจนี่แหละเป็นธนาคารบุญด้วยเป็นธนาคารบาปด้วยแล้วพอร่างกายตายไปบุญหรือบาปที่สะสมไว้ในใจนี่แหละที่จะเป็นตัวผลักดันให้ใจไปในทบไหนกันไปสู่สุคติหรือไปสู่ทุกขติ อันนี้เป็นของจริงเป็นของที่พระเจ้าและพาาาระอรหันต์ตสาวกทั้งหลายเห็นกันรู้กันไม่มีใครมาแย้งกันเลยคําสอนของพุทธเจ้าที่พระเจ้าทรงสอนนี้พาาาระอรหันต์ตัดสาวกทุกรูปนี่ไม่มาแยง่งขัดแย้งกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยไม่มีองค์ไหนมาบอกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีไม่มีองค์ใดามาพูดอย่างนั้นเลยมีแต่พูดเหมือนกันหมดเลยว่าเป็นสระขาโตพระวตาธรรมโอ เป็นธรรมที่ตัดไว้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการสวรรค์มีจริงนรกมีจริงบุญที่เป็นเหตุทําให้ไปสวรรค์ก็เป็นของจริงบาปที่เป็นเหตุที่พาให้ไปนรกแปรบายก็เป็นของจริงกิเลสตัณหาที่พาให้ใจยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เป็นของจริงการกําจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ใจก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ไปก็ไปนิพพานนี่ก็คือที่มาของทางที่สามนอกจากไปทุกติแล้วไปสุกติแล้ ว, กกลวยังมีทางหนึ่งที่เราจะสามารถเลือกไปได้ก็คือไปนิพพานกันไปแบบไม่กลับกันไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไปไปสู่ทุ ก, กติหรือไปสู่สุ ก, กตินี้เรายังต้องกลับมาเกิดอยู่ พอบุญหรือบาปที่ดึงให้เราไปเกิดในสวรรค์หรือในอบายนี้มันหมดกําลังลงมันก็จะปล่อยให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะว่าเหตุที่ทําให้เราอยากมาเป็นมนุษย์ยังมีอยู่เหตุก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเรายังอยากจะมาหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกของมนุษย์อยู่คืออะไรก็คือโลกกรรมสีน่นี่ที่มีอยู่ในโลกนี้คือลาบยศจลเสริญ ละรูปเสียงกิ่นรสผดทพะชะนิดต่างๆที่พวกเราทุกคนนี้อยากจะได้กันอยากจะมีกันแต่ไม่รู้ว่าว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดได้เท่าไหร่ก็จะไม่ทำให้ใจอิ่มใจพอแต่กลับจะไปกระตุ้นให้มีความโลภ ค, ความอยากเพิ่มมากขึ้ น, นเวลาเสพยาเสพติดเราคงจะรู้กันซึ่งราโยมก็เสพกันพเพียงแต่เราไม่เรียกว่ายาเสพติดนะ อะไรที่เราติดเนี่ยมันเป็นยาเป็นเหมือนยาเสพติดทั้งนั้นอ่ะติดกาแฟนี้ก็เป็นก็เป็นยาเสพติดอย่างหนึ่งติดเล่นการพนันก็เป็นยาเสพติดอย่างหนึ่งติดแทงลอตเตอรี่ก็เป็นยาเสพติดอย่างหนึ่งติดดูละครนี้ก็เป็นยาเสพติดอย่างหนึ่งติดแฟนนี้ก็เป็นยาเสพติดอย่างหนึ่งพอเราติดอะไรแล้วเราต้องอยู่กัต้องมีต้องหามาเสพเยื่อยเรื่อย เวลาที่มันไม่มีให้เสพนี้มันทุกข์มันรู้สึกเศร้าส้อยง่อยเงารู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจรู้สึกไม่มีความสุขเลย<ม>นี่นี่คือลักษณะของใจของพวกเราทุกคนที่ยังมาที่มาเกิดในโลกนี้เพราะเรายัง<ม>ยังมีความอยากจะเสพ ร, ราบยศสารเสริญอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลทภพะกันอยู่นั่นเองถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราต้องชําระใจของเรา กำจัดความอยากในราบยศเสริญสุขให้ได้วิธีที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมนะเช่นวันพระนี้เราต้องมาไปปฏิบัติธรรมที่วัดกันแล้วเปลี่ยนเพิ่มศีลจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดเพราะศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้เราไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดนั่นเองไม่ให้เราไปหาราบยศเสริญ เวลาที่เราไปวัดนี้เราไม่ได้ไปหาเงินในวัดกันเราไม่ได้ไปหายศไปหาตำแหน่งในวัดกันเราไม่ได้ไปหาความสุขทางตาหูจมกูกนิ้นกายในวัดกันเราไประ ง, งับความความอยากที่จะไปหาลาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้ากันต่างหาก<ม>แล้วการที่เราจะสามารถระ ง, งับสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ต้องมีความสุขแบบอื่นมาแทนที่ เราก็ต้องมาเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วเราจะได้ความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าโลกกระทำทั้งสี่คือลาบยศเส ร, ส ร, ริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสความสุขของโลกกระทรนี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากการเจริญสตินั่งสมาธิ ท, ทาใจให้สงบนี้ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลย ถ้าเราได้รับความสุขจากความสงบแล้วนี่เราจะไม่อยากจะหาความสุขจากราบยศรเสริญ ส, สุขเลยเราก็จะสามารถรักษาสินได้อย่างง่ายได้ไม่เดือดร้อนอดข้าวเย็นได้อย่างสบายเพราะใจจะใจไม่หิวใจจะมีความสุขจากความสงบไม่อยากดูหนังฟังเพลงเพราะใจมีความสุขจากการจากความสงบไม่อยากได้อะไรจากใครเพราะใจมีความสุขในตัวของมันเอง อันนี้แหละเป็นวิธีที่เราจะต้องมาปฏิบัติกันในวันพระวันพระนี้พระพุทธเจ้าทรงกําหนดไว้เพื่อให้เรามาเตรียมตัวในการที่เราจะออกเดินทางว่าเราจะไปทิศทางไหนกันอย่างต่ำก็ต้องรักษาศีลห้าเพื่อปิดประตูบายถ้าเราไม่อยากจะไปทุกไปแบบทุกข์ไปแบบยากยากลำบากก็อย่าไปทางอบายด้วยการรักษาศีลห้าแล้วก็อย่าเสพอบายมุข อย่าดื่มสุราอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวกลางคืนอย่าคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรและอยากเกียจคานในการทำหน้าที่การงานทำในสิ่งที่ดีที่งามต้องมีความขยันหมั่นเพียรอย่าไปเสพอบายามุขเพราะบายามุขนี้มันจะมีแต่ทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินที่เรามีอยู่ไปพอทับสินพอเรามีเงินทองไม่พอใช้เราก็จะ ถ, ถูกบังคับถูกบีบให้ไปหาเงินโดยวิธีไม่ชอบเสมอทำบาปแต่ถ้าเราไม่เสพระบายามุกนี่โอกาสที่เราจะต้องไปหาเงินในทางที่ไม่ชอบนีม่มันก็มีน้อยลงไม่ต้องไปทำบาป ก, กันเล่นการพนันเดี๋ยวมันพอหมดมันก็ต้องไปโกงหนี้ยืมสินไปหลอกคนนู้นหลอกคนนี้เอาเงินเขามาเล่นต่อหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปขโมย เ, เงินของคนอื่นมาเล่นต่อ เป็นนี้พนันเนี่ยมีข่าวอยู่เลยไปป้นไปปล้นร้านทองพวกจยาเงินมาใช้หนี้พนันเ<ม>พราะไปเล่นพนันแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายเขาถ้าไม่ไปจ่ายเขาเดี๋ยวก็จะถูกเขามาทําร้ายร่างกายก็เลยต้องไปทําบาปแต่ถ้าไม่เล่นการพนันแล้วโอกาสที่จะต้องไปทําบาปก็มีน้อยลงไปพระเจ้าจึงสงสอนให้เราพยายามหลีกเลี่ยงอบาเยมุกคาว่าบาเยมุกนี้แปลว่าอะไร อบายก็คือที่ที่คนทําบาปไปกันนะไปเป็นสัตว์เดราชาไปเป็นเป็ดเป็นอกสูรกายไปในระกนี้เรียกว่าอบายมุกไปว่าประตูทางเข้าของอบายนั่นเองถ้าเราไปยืนใกล้ๆประตูมันก็จะเข้าไปในในในอบายได้ง่ายแต่ถ้าเราอยู่ไกลๆจากประตูโอกาสที่จะเข้าไปในอบายนี้มันก็จะยากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เสบอบา ย, ยมุกเราจะไม่ได้อยู่ใกล้ทางเข้าอบาย โอกาสจะเข้าอวบายนี้มันก็จะน้อยลงจะยากขึ้นแต่ถ้าเราไปยืนอยู่ที่หน้าประตูนี่เดี๋ยวก็พับเดียวเดินเข้าไปก้าวเดียวก็เข้าไปล่ะ น, นี่ก็คือต้นไม้ปลายทางอันแรกที่เราต้องการมาปิดกันอย่าไปกันในวันพระนี้อย่างต่ำก็ต้องถือศีลห้าถ้ายังถือศีลแปดไม่ได้ก็ถือศีลห้าให้ได้ก่อนแล้วต่อไปเมื่อรักษาบ่อยๆเข้าแล้ว ประกอบกับการทำบุญทำทานรักษาศีลห้าใจก็จะมีความสุขมากขึ้นจะมีกําลังมากขึ้นที่จะสามารถมาถือศีลแปดได้<ม>อาศัยความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานอาศัยความสุขที่ได้จากการรักษาศีลห้านี้มาเป็นเป็นพลังขับดันให้ให้เราก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติที่สูงขึ้นถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิด เราต้องไปสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพเราต้องไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมก่อนสวรรค์ชั้นพรหมนี้ก็คือสําหรับผู้ที่รักษาศีลพรหมจรรย์นั่นเองเกิไม่หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกิเรสพวกที่เขาเรียกว่าปฏิบัติเนคขมะนี่จะไปสวรรค์ชั้นพรหมได้นี้ต้องปฏิบัติเนคขมะคำว่าเนคขมะก็คือละเว้นการหาความสุขจากการเสพโลกธรรมทั้งสี่ ลาบยศสารเสริญรูปเสียงกิริยลดโพธิภพชนิดตา่ตางๆด้วยการมาถือศีลแปดกันห้ามปะห้ามใจอย่าไปทําตามความอยากอย่าไปร่วมหลับนอนกับแฟนนอันนี้เพราะว่ามันเป็นการเสพกามถ้าเสพกามก็จะติดในกามมาพบเรายัา ง, อยางอยู่สวรรค์ชั้นเทพอยู่ไม่สามารถขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้อย่าจะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมต้องเลิกการเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทางรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพะด้วยการมาเอาเวลามาเจริญสตินั่งสมาธิแทนแทนที่จะ เ, เวลาไปนอนกับแฟนก็เอาเวลาไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมเจริญสติทำใจให้สงบกันเช่นเดียวกับศสีข้อหก็คือไม่ให้กินข้าวมากเกินไปถ้ากินเพื่อเลี้ยงร่างกายนี้กินวันละมือ้อสองมื้อก็พอแต่ไม่ต้องเกินเที่ยงวัน อ, อยู่ได้ร่างกายไม่ตายรับประกันได้ หลวงปู่หลวงตาที่ท่านบวชมาเป็นห้าสิบปีร้อยปีท่านไม่ได้ตายเพราะท่านถือศีลแปดท่านศีลสิบศีลสิบศีลสองร้อยี่บเจ็ดท่านอดข้าวได้ท่านไม่ท่านไม่ได้อดแบบแบบแบบแบบรุนแรงท่านอดเพียงแต่พอประมาณไม่ให้มันกินมากเกินไปไม่ได้ไม่ได้อดแบบสุดโตงไม่กินเลยนี่ถึงเรียกว่าอดสุดโต่งท่านก็กินวันละมื้อสองมื้อท่านก็อยู่ได้ร่างกายไม่เดือดร้อน ร่างกายกับเดือนร้อนกว่ากับพวกที่กินมากเกินไปสิอื่นเากินมากแล้วก็มีโรคตามร่างกายตามมาโรคอ้วนโรคอ้วนก็มีทั้งเบาหวานทั้งไขมันอุดตันความดันโรคหัวใจอะไรต่างๆมันจะตามมาทันทีแต่คนที่ผอมคนที่ไม่อ้วนนี่ไม่มีโรคภัยเหล่านี้ตามมางนั้นการไม่กินมากนี่กลับเป็นประโยชน์กับร่างกายไม่ใช่เป็นโทษกับร่างกายไม่ต้องกลัวตายจากการกินน้อย กินพอให้อยู่ได้กินเพื่อเลี้ยงร่างกายนี้จะไม่ทำให้ร่างกายตายแต่ถ้ากินตามอำนาจของกิเลสตันหายอยากกินนู่นอยากกินนี่ตลอดเวลาอยากดหนื่มนั่นอยากเนื่มนี่อย่างนี้แหละจะเป็นทอดกับร่างกายจะทำให้ร่างกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างมาตามมาและอาจจะตายก่อนวัยก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวการอดข้าวเย็นนี้ไม่ทำให้ร่างกายเป็นอะไรไปรับประกันได้ ล้วอดมาตั้งแต่บวชมาวันแรกเราก็บวชมาก่อนที่เราจะบวชเราก็อดมาปีหนึ่งนะไม่ตายสบายมันทำให้มีสติดีไม่พังไม่เผลอไม่ง่วงไม่ไม่ง่วงไ ม, ไ, มไม่ง่ว ง, ง, วงนอนเวลาจะเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เดินได้อย่างสบายไม่มีอะไรมาคอยดึงให้ไปนอนกันแต่ถ้ากินอาหารเยอะๆพอมันแน่นท้องนี่หนังตามันก็จะหย่อนทันที อยากจะหาหมอนแทนที่จะเดินจงกรมแทนที่จะนั่นงสมาธิก็ทําไม่ได้อันนี้คือศินท้อข้อหกนะช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติเจริญเจริญจิตตภาวนาทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นพรหมอยากเทพมาเปลี่ยนเป็นพรหมการจะเปลี่ยนเป็นพรหมนี้ต้องเปลี่ยนจากศินห้ามาเป็นศินศินแปดสินข้อเจ็ดก็คือไม่ไปหาความสุขอย่างมหะรสบบันเทิงต่างๆ พอนำดูการ้อนำดูละครไปตามๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ไม่เสพไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ไม่เสพความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเผ้าทำผมอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นความสุขปอเป็นความสุขชั่วคราวความสุขที่ไม่ยั่งยืนเป็นความสุขที่จะทาให้ใจยึดติดเป็นเหมือนยาเสพติดอย่างหนึ่ง คนที่เคยแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากนี่ต้องทําต้องแต่งอยู่เรื่อยเพราะถ้าไม่แต่งเราจะขาดความรู้สึกความมั่นใจในตัวเองเ<ม>วลาจะเอกจากบ้านแต่ละครั้งนี่กว่าจะเอาได้นี่เหมือนกับขึ้นเวทีละครต้องใช้เวลาเสริมสวยกันเป็นเป็นชั่วโมงก็มีออันนี้เสียเวลาไปเปล่าๆความสุขที่ได้ก็แค่แป๊แบเดียวเั่านี้ซูเอาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบจะดีกว่า อแล้วสินข้อแปดก็คืออย่านอนมากเกินไปวิธีอย่านอนไม่มากเกินไปอย่าไปนอนที่มันสบายนอนแบบที่มันไม่ไม่สบายเช่นนอนบนนพื้นแข็งแข็ง ป, ดดปูด้วยผ้าปูด้วยผ้าปูด้วยเสือ่อหรืออาจจะปูด้วยเบาบางๆางท่านิ้วหนึ่งอย่างนี้เพื่อการความเย็นความชื้นอะไรอ่างๆ่างนี่ก็ยังพอทําได้อยู่แต่อย่าไปนอนมันฟูกหนาๆเป็นหนาเป็นคือบอย่างนี้ อันเตียงมันสุกมันสบายเวลาร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วใจมันจะไม่อยากจะตื่นใจมันอยากจะนอนต่ อ, อก็จะทำให้เสียเวลาอันมีค่าของการจะมาจะเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้เกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นมา อ, มอ น, นี่คือมาตรการของการที่จะเปลี่ยนถ้าเราต้องการที่จะไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพเพื่อที่จะไปนิพพาน เราต้องผ่านสวรรค์ชั้นพรหมก่อนปรอนนิพพานนี่อยู่เหนือสวรรค์ชั้นพรหมอีกทีหนึ่งก่อนจะไปถึงสวรรค์ชั้นชั้นนิพพานได้ต้องไปผ่านสวรรค์ชั้นพรหมก่อนเหมือนก่อนที่เราจะไปกรุงเทพได้เราต้องผ่านศรีราชาผ่านพัทยาผ่าน <uyorsun. S 1> ผ่านชนบุรีก่อนกว่าจะเข้าถึงกรุงเทพได้ฉันใดการที่เราจะไปนิพพานไปแบบไม่กลับนี้เบื้อง ต, ต้นเราต้องไปให้ถึงสวรรค์ชั้นพรหมก่อน จากสวรรค์ชั้นเทพถ้าเรารักษาศีลห้าทำบุญทําทานได้นี่แสดงว่าเราอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพนลสรชั้นเทพนี่ก็จะทําให้เราใกล้กับสวรรค์ชั้นพรหมไปสวรรค์ชั้นพรหมกง่ายง่ายกว่าคนที่ไม่ทําบุญทําทานคนที่ไม่รักษาศีลคนที่ไม่รักษาศีลก็ จ, จะไปอยู่ในอาบายนุ่นอยู่ไกลมากดงนั้นเบื้องต้นเรารักษาศีลห้าให้ได้ไม่ทํำบาปแล้วทําบุญทําทานตามกําลังของเรา เราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นเทพพอเราได้สวรรค์ชั้นเทพแล้วขั้นต่อไปเราก็มาก้าวขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมด้วยการมาถือศีลแปดอนต้นก็เราลองมาทําวันอาทิตย์ละวันก่อนเช่นวันพระวันพระเราหยุดทํางานเพราะการจะไปสวรรค์ชั้นชั้นพรหมได้นี่มันต้องไม่ทํางานไม่ต้องมีอะไรมาทําให้ใจวุ่นวายต้องอยู่ที่สงบอยู่คนเดียวเจริญสติคอยควบคุมความคิดเพื่อที่เราจะได้เอา สตินี้มานั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบเป็นรูปประชานขึ้นมาให้ได้เป็นรูปประชานเป็นอรูปประชานขึ้นมาพอได้รูปประชานหรือได้อรูปประชานแล้วก็แสดงว่าใจได้เข้าสู่พรหมโลกแล้วถ้าตายไปตอนนั้นก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมเลยไม่ต้องไปชั้นไม่ต้องไปชั้นเทพไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าคือสวรรค์ชั้นพรหมแต่ยังต้องกลับมาเกิดอยู่เพราะว่าการไปสวรรค์ชั้นพรหมด้วยอํานาจของ การเจริญสติมันยังไม่สามารถหยุดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ใน ใ, นใจได้อยู่ถ้าอยากจะให้ไม่กลับมาเกิดเลยหลังจากไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็ต้องใช้ปัญญามาคอยทำลายกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ใน ใ, นใจอยู่เวลามันโผล่ขึ้นมาก็ใช้ไตลักษ์ใช้อริยสัจสี่มาสอนใจว่ า, ว, าว่าอย่าไปทาตามความอยากนะ อย่ า, อย า, อ, ยาอยากไปเที่ยวอย่าไปไ ป, ไปเที่ยวกับมันนะถ้าไปแล้วมันจะทําให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่รอยๆถ้าไปเสพกามก็จะกลับมาเกิดในกามมาพบถ้าไปเสพรูก ป, ประพรมลูปประชาอรูปประชานเราก็จะกลับมาเกิดในรูปประพบอรูปประพบอยู่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเลยเราก็ต้องตัดความอยากหล่านี้ออกไปให้หมดด้วยการเห็นว่ารูปประชานก็ดีอรูปประชานก็ดีกามก็ดี ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะามันเป็นของชั่วท้าวไม่ใช่เป็นของที่ยั่งยืนถาวรเพราะทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งให้มันอยู่กับเราให้ควางสุขกับเราไปได้ตลอดถ้าเราเห็นว่ามันเป็นตายรักเราก็จะตัดความอยากในการเสดกามได้ความอยากจะเสด ร, รูปประชานได้ความอยากจะเสดมารูปประชานได้พอเราตัดได้ด้วยปัญญาแล้วทีนี้ความอยากต่างๆที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดี จะไม่มีอีกต่อไปพอเราถึงนิพพานแล้วภพนี้ก็เป็นภพสุดท้ายของเราทันทีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายร่างกายนี้เป็นร่างกายอันสุดท้ายตายไปแล้วจะไม่มีอะไรดึงใจของเราให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไป <Yeah. S 1> ด้วยอํานาจของปัญญาอันนี้ขั้นที่ขั้นสูงสุดจะไปถึงนิพพานได้ต้องมีปัญญา <Yeah. S 1> เป็นผู้มาคอยตัดกิเลสตัดหาให้หมดไปจากใจ สติสมาธินี้เพียงแต่กดกิเลสตัณหาไว้เท่า น, นั้นทําให้ใจอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมได้แต่ยัดติดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมไปเรื่อยๆถ้าอยากจะไม่ติดในสวรรค์ชั้นพรหมอยากจะไปนิพพานไม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องใช้ปัญญาคอยกําจัดความอยากด้วยการพิจารณาสิ่งที่อยากว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถสั่งให้มันเที่ยงได้ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จางไปหายไป ไ ป, ไปเทีย่ยวไปเที่ยวมาก็มีความสุขพอกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปเวลานั่งสมาธิจิตส ง, สงบก็มีความสุขเวลาออกจากสมาธิมาความสุขจากสมาธิก็หายไปไม่สามารถสั่งให้มันให้ความสุขกับเราอย่างยังย่งยืนถาวรได้วิธีที่จะทําให้เรามีความสุขอย่างยั่งยืนถาวรได้ก็คือเราต้องกำจัดความอยากต่างๆเหล่า น, นี้ให้หมดไปจากใจท่านั้นเองเพราะความอยากนี้แหละเป็นตัวที่มาสร้างความไม่สงบให้กับใจ พอเรากำจัดความอยากได้ด้วยปัญญาแล้วใจเราก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความวุ่นวายให้กับใจใจเราก็จะสงบไปอย่างถาวรอันนี้แหละคือความสงบของพระของพระนิพพานเป็นความสงบอย่างถาวรเพราะได้กำจัดความอยากต่างๆด้วยปัญญาเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนวนเป็นทุกข์ทังนั้นนวนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่าเป็นตายรักทั้งนั้นมันก็จะหยุดความอยากทันที พอไม่อยากแล้วใจก็สงบกลับมาสงบอย่างถาวรก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้จะเป็นจุดหมายปลายทางที่สามทางเลือกที่สามของการของการไปของเราเวลาเราตายจากโลกนี้ไปถ้าเขาถามว่าไปไหนก็มีสามทางเลือกไปอบายก็ได้ถ้าทําบาปก็ไปอบายถ้าไปทําบุญก็ไปสวรรค์ถ้าไปปฏิบัติธรรมชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ก็ไปนิพพาน ตอนนี้เราสามารถเลือกตีตั๋วไปไปทางไหนก็ได้แต่พอเวลาต้องขึ้นเครื่องเ่านี่มันก็เป็นไฟบังคับแล้วเขาก็จะดูตั๋วเราว่าที่เราทํามานี่เราจะไปที่ไหนถ้าเราทําบาปมาเขาก็จะจัดให้เราไปอบายถ้าเราทําบุญมาเขาก็จะจัดให้เราไปสวรรค์ถ้าเราปฏิบัติธรรมชำระใจซักพอกใจให้สะอาดบริสุดปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงเขาก็จะจัดให้เราไปนิพพานกัน นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเรามาทำกันในวันพระคือวันนี้ให้มาเตรียมตัวออกเดินทางกันเลือกทางได้ตอนนี้จะไปทางไหนก็ทำได้แต่พอถึงเวลาที่ต้องออกเดินทางตอนนั้นจะมาเลือกเลือกไม่ทันละคนบางค น, คนหวังว่าจะเปีย จ, จะมาเลือกตอนจิตสุดท้ายนี่มันเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้ก็ดีเส่ทั้งทั้งปีทั้งชาติทำมันตะแาบเที่ยวกินเนอะไรต่างๆพอถึงเวลาจะตายขอเลือกไปนิพพานนะนเลือกไม่ได้ อยู่ที่บุญบาปที่เราทํากันอยู่ที่การปฏิบททัติธรรมหรือไม่ของเราเท่านั้นที่จะเป็นตัวเลือกเพราะฉะนั้นอย่าประมาทให้รีบทําเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าเร า, เรายังมีเวลายังมีชีวิตอยู่เพราะเมื่อใดที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรื อ, อกแก่หรือจะตายนี้โอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างอะไรต่างๆมันก็จะยากแมนะ้อาจจะสร้างไม่ได้ก็ได้ตอนนี้ทําได้รีบทําเสียแต่เนิ่นๆอย่าประมาท นี่คือเรื่องของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร อ, อยะถ า, าวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุกปกาปกปดิยิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติอระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันโตสะปะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขิติคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจจังวุทธาปจายิโน จตารธหตมะวัตันติอายวโนสุขังภาลั ง, ง, งระระนะระระระระระระระระ่ะระระระราระระระระระระาะาะระระระระระระรระระระระรอระราระระระระระราระรนระระระรวราจาระรเป็นคนะร ก, นนกตัวให้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 337ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ326ท่านทาง y o u t u ดรวีสามท่านทางวิทยุออนไลน์12ท่านครับ h ฮ u s ์9ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ83ท่านรวมทั้งหมด803ท่านครับ กราบนวัชการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคําถามจากผู้รับฟังธรรมะห น, น้ากุฏิถามเข้ามาว่าเวลาเราเดินจงกรมหรือทําสมาธิจิตจะฟุ้งอยู่ในคำบริกรรมพุโทโธหรือจะสวดมนต์ตามที่พระคุณเจ้าเมตตาแนะนําแต่จิตคอยจะฟุ้งตลอดเจ้าค่ะมีวิธีแก้อย่างไรเจ้าค่ะก็ต้องทําให้มากขึ้นทําบ่อยๆ พยายามผูกใจไว้ให้อยู่กับเวลาเดินโยงกลมนี้ทางที่ดีให้อยู่กับการเดินดีกว่าดูที่เท้าไปเวลาก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่าซ้ายรู้ว่าขวาซ้ายขวาซ้ายขว า, า, ขวาไม่ต้องไปสวดมนไม่ต้องไปพูดโธคอยเฝ้าดูที่เท้าอย่างเดียวถ้าเดินเร็วมันยังดูไม่ทันก็ช้าหน่อยก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไป ธรรมดาคนจะเดินแบบปกติได้ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปบางสัมนาก็ให้สอนให้เดินเหมือนคนหัดเดินก้าวยกก้าวนาวางหนามันไม่ถึงขนาดนั้นนะเพีงแต่ให้เรารู้ให้เราอยู่กับการก้าวเท้าไปโดยที่ใจเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นก็พอเจ้าค่ะคำถามที่สอง ในบางครั้งนั่งสมาธิได้ดีรู้สึกจิตนิ่งแต่ก็เป็นแค่เสี่ยวนาทีพอนิ่งลึกลงจะไปต่อเช่นไรเจ้าคะจิตเฝ้าจะหลุดออกจากสมาธิเหมือนต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเช่นเข้าออกกำหนดรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างผิดไหมคะก็ต้องปฏิบัติให้มากๆอย่างวันพระนี่ควรจะปฏิบัติทั้งวันเลยไม่ต้องทาอะไร เจริญสติอย่างเดียวก่อนลืมนตาขึ้นมาก็พุทโธไปแล้วดูลมหายใจไปแล้วดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจคิดทำนี้ไปทั้งวันแล้วเวลานั่งสมาธิจะสงบได้ได้านานขึ้นคำถามจากผู้รับฟังธรรมานากุติฝากถามเข้ามาว่าครอบครัวเคยทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทำให้ต้องค่าสัตว์จำนวนมากในช่วงเวลาที่มีโรคระบาดปัจจุบันเลิกธุรกิจไปแล้วขอสอบถามว่าเราควรทำบุญประเภทไหนที่จะทำให้เราพ้นอบายไม่ให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานขอบพระคุณค่ะก็ต้องทำสองอย่างเลิกเลกทำบาปแล้วก็ทำบุญให้มากมีเงินทองเท่าไหร่ก็ริาจากไปให้หมด มีเงินทองที่เราไม่ต้องเก็บไว้ใช้กินใช้อยู่เงินส่วนเกินแทนที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวไปกินไปดื่มก็เอาเงินงนั้นที่ไปทําบุญให้หมดจากคุณวัฒนาทาง Facebook ้ะค่ะน้อมกราบขอโอกาสเรียนถามครับแสดงฌานเป็นที่พักชั่วคราวแล้วจิตเจริญจิตต่อๆไปน้อมกราบขอพระอาจารย์เมตตาขยาความพอให้กระผมได้แนวทางปฏิบัติด้วยครับ ก็เวลาเข้าสมาธิก็ไม่ต้องทําอะไรให้รู้เฉยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดให้นิ่งนานๆพอจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิดไปทางกิเลสก็ใช้ไตลักษณ์มาสอนใจอยากไปเที่ยวก็บอกความเที่ยว น, นี้เป็นทุกข์นะเพราะว่าเป็นความโศกชั่วคราวเดี๋ยวพอกลับมาบ้านมันก็ทําให้เหงาเศร้าเหมือนเดิมนั่นหยุดความอยากไปเที่ยวได้แล้วต่อไปอยู่บ้านเฉยๆจะไม่เศร้า ถามจากทาง youtube ใช่ค่ะกราบนรมาส ก, การเรียนถามพระอาจารย์ครับการดูข่าวทําให้ผิดศีลข้อเจ็ไหมครับให้ผิดหรอกแต่มันก็เป็นการผิดต่อการเจริญสติเพราะว่าถ้าเราจเจริญสตินี้เราไม่ต้องการใช้ความคิดถ้าเราไปดูข่าวแล้วเดี๋ยวเราก็าข่าวมาคิดอยู่ในใจแต่ไม่ผิดศีลศีลห้าไม่ให้เราไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสในการ มหอเราศพบันเทิงเกี่ยวกับการบันเทิงต่างๆแต่ถ้าจะติดตามข่าวก็ได้แต่มันก็เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสติไม่เสียเวลเลยได้ดีกว่าเจ้าค่ะจาก Youtube การมราคะาขอพระาจารย์ช่วยยกตัวอย่างว่ามีอะไรบ้างค่ะก็รูปเสียงกินร้นนี่เป็นการมาาค้าทั้งนั้นนะอยากดูหนังก็การมาาคะอยากจะนอนกาแฟก็การมราคะ อะไรที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสนี่ถือว่าเป็นการมาราคะได้หมดแต่แต่เขาจะเจาะจงที่การร่วมหลับนอนกันเรื่อการเสพมวยถุนกันคือนอนร่วมกันเขาเรียกว่าการมาราคะแต่ถ้าเสพการอย่างอื่นเขาจะเรียกว่ากามาตัญหาการมาฉันทะอยากดูหนังฟังเพลงนี่เขาเรียกวกามาฉันทะแต่ถ้าอยากจะร่วมหลับนอนกันกบแฟนนี่เขาเรียกว่าการมาราคะใช่ค่ะ คำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะขณะที่โยมปฏิบัติที่บ้านคนเดียวที่รับตาผู้คนแต่ภายในอากาศ ร้อนมากโยมสามารถแต่งตัวน้อยชิ้นแล้วเดินจงกรมทำสมาธิได้ไหมคะพอดีมีคนเตือนว่าขณะปฏิบัติแม้ในที่รับตาส่วนตัวก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยที่สุดเพราะเทวดาเบื้องบนท่านมองลงมาจะปฏิบัติไม่ขึ้นไม่ได้ผลถ้าปิดร่างกายไม่ไม่มีชิดเพราะถือว่าไม่ให้ความเค า, ารพพระรัตนาตา์ตยความคิดเห็นนี้จริงเท็จแค่ไหนเจ้าคะ จะมีเทวน า, าที่ไหนไมาแอ บ, บดูแอ บ, บดูเพราะว่าตอนตอนที่เราเข้าห้องน้ําไม่ดีกว่านอะมัมีเรามันเรื่องของโมเมกันไปก็ดูความเหมาะสมกันละกันถ้าเราอยู่ในที่ส่วนตัวเราเราก็ทําแบบสบายได้แต่ถ้าเราอยู่ในที่สาธารนณะเราก็ต้องรู้จักรู้จักการละเทศะเจ้าค่ะข้อสอง ถือศีลแปสามารถกินลูกอมแก้ไอแก้เจ็บคอดได้ไหมคะลูกอมธรรมดาประทังหิวได้ไหมคะถ้าหาน้ําประน้ไม่ได้คะ่ะคือเราต้องเข้าใจกันถือศีลแปดว่าเราต้องการจะรับการเสกสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกนิ้งกายถึงแม้ว่ามันจะไม่ผิดคือมันอาจจะเป็นบัญญัติให้กําลังแก่ร่างกายแต่ก็ไม่ควรนะ ก็อย่าไปเสพมันอย่าไปอมมันนะอกจากว่าถ้าเป็นยาไม่สบายโรครักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ก็ ก, กินได้แต่ถ้ากินก็เพื่อยังให้มันมีความรู้สึกได้สัมผัสกับรสหวานอยู่อะไรอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นการเสพกามอยู่อันก็ไม่ควรดื่มน้ําปล่ า, าดีที่สุดปลอดภัยที่สุดไม่ต้องไปกังวลถ้าถือสินแต่เสร็จกินกินข้าวเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปกินอะไรไม่ต้องไปดื่มอะไรนอกจากน้ำเปล่า เจ้าค่ะจากคุณสุกัญญาถามเข้ามาว่ากราบนรัส ก, การถามเจ้าค่ะถ้าเราตายไปเป็นดวงวิญญาณแล้วเราจะรับรู้สิ่งต่างๆได้ไหมเจ้าค่ะก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับเนะเราจะไม่สามารถรับรู้สิ่ ง, งต่างๆผ่านทางร่างกายได้แต่เราจะสามารถรับรู้ผ่านทางใจเราได้ใจเราก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้จากบุญและบาปที่เราได้ทำไว้เจ้าค่ะจากคุณกองกราบ กระบพระอาจารย์ครับระหว่างภาวนามีความรู้สึกเหมือนลมหายใจสะหมดลมหายใจขาดมีความวิตกขึ้นมาควรกําหนดอย่างไรครับให้รู้เฉยๆอย่าไปวิตกให้รู้ว่าตอนนี้ลมขาดลมหายก็ให้รู้เฉยๆรู้อยู่ที่จุดเดิมจุดที่เราดูลมนั้นไม่ต้องกังวลกับเรื่องลมให้รู้เฉยๆถ้าวิตกแล้วใจจะใจจะหยาบแล้วใจจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ แต่ถ้ารู้เฉยๆไปเดี๋ยวใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบเข้าสู่ความสงบได้เจ้าค่ะจากคุณทัวพระโสดาบันท่านรักสักยัิทิได้แต่ยังเสพกามกับสามีภรรยาได้คำว่าสักยัิทิกับความอยากเสพกามกับสามีภรรยานี้คนละอย่างกันหรอครับก็การสักยทิทิก็คือเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เหมือนกับว่าเป็นร่างกายของคนอื่นแล้วเราก็ไม่ทุกข์กับคนร่างกายเพราะมันจะเป็นอะไรก็ได้มันจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะมันไม่ได้เป็นของเราแล้วแต่ยังใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่เพราะยังมีความอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้อยู่อันนี้จะต้องแก้ด้วยการเห็นร่างกายว่าเป็นอสุภาเห็นว่าร่างกายของคนที่เราเห็นว่าสวยว่างามรูปหล่ออย่างนี้ว่าเป็น โครงกระดูกมีอาการสามสิบสองมีตับไตไส้พุงอะไรอยู่ถ้าเห็นส่วนที่ไม่สวยงามแล้วความอยากจะไปร่วมหลับนอนกับเขาก็หมดไปเจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะสกายะทิติกับการมราคฆามันคนละตัวกันสกายะทิติก็คือการเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราก็เลยทําให้เราห่วงเราห่วงร่างกาย แต่พอพิจารณาว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นของเราเป็นของพ่อแม่ให้เรามาใช้ชั่วคราวออแล้วมันต้องตายจากเราไปแล้วห้ามมันไม่ได้เราก็ไม่เราก็รู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้เราก็ไม่ไปทุกข์กับมันก็ปล่อยให้มันตายไปปล่อยให้มันเจ็บไปแต่ใจยังมีความอยากใช้ร่างกายไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้อยู่ถ้าเห็นร่างกายของใครที่เรารักเราชอบขึ้นมาก็อยากจะให้เขามาเป็นแฟนเรา ถ้าไม่อยากให้เขามาเป็นแฟนเราก็ต้องมองตับไตไส้พุิของเขามองโครงกระดูกของเขาถ้าเห็นโครงกระดูกของเขาแล้วแล้วก็อ้ยเอาโครงกระดูกมานอนด้วยเหรอนอนกับโครงกระดูกดีๆเนี่ยแต่เพียงแต่เรามองไม่เห็นไงยยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะใครอยากจะถามก็ถามได้นะมีไหมหนูอ่าเข้ามาถามประจํา อาจารย์เจ้าคะถ้าเราเห็นว่าคนคนนึงต้องรับกรรมแล้วเราเกิดความสงสารเขาปรารถนาใจเขามีดวงตาเห็นธรรมและเข้าสู่ทางธรรมให้ได้เจ้าค่ะเราควรช่วยเขาหรือว่าทําใจยังไงหรือเจ้าค่ะทําเขาเข้าไม่ได้อยู่ที่เขาว่าเขาต้องการอะไรถ้าต้องการธรรมะเราก็ให้ธรรมะเขาไปถ้าเขาต้องการเราเป็นแฟนก็เราไปเป็นแฟนกับเขาไป แล้วแต่ว่าเราจะให้อะไรเขาได้ถ้าเราอยากจะให้เขามีความสุขแล้วก็ให้สิ่งที่เขาอยากได้ไปแต่ถ้าเราเห็นว่าการปไปมีทรายกันนี้เป็นทุกข์เราก็อย่าไปให้กันแล้วกันบอกไม่ดีการมีธรรมะดีกว่าบอกให้เขาชอบธรรมะดีกว่าให้เขาชอบเราเ จ, จ้าค่าพลาจาเอ้าคุณคุณตายคุณตายเดี๋ยวนุเอาไมโครโฟนไม้คุณตายเลย น้อมกลับน้ำมศการค่ะพระอาจารย์วันนี้พระอาจารย์เทศเรื่องการทําบุญโยมอยากจะเรียนถามว่าถ้าเรายังมีหนี้ศินอยู่แล้วเราชอบทําบุญด้วยด้วยปัจจัยเงินสดอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์เราจะถือว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองไหมเจ้าคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าถ้าเปรียบเป็นบุญเนี่ยถ้าเรามีหนี้ศินแต่เราชอบทําบุญบุญของเราจะเป็นบวก ร้อยเปอร์เซนตกว่าหรือว่ายังไงครับอาจารย์คือมีเน <NO ่ก็ต้องใช้มิเน่ก่อนเพราะว่ามาทําบุญเพราะเงินเงินที่เป็นนี่ไม่ใช่ของเราเป็นของเจ้าหนี้เขาถ้าเราเอาเงินของเจ้าหนี้มาก็เหมือนขโมยเงินเขามามาทําบุญยังต้องเอาเงินที่เราเป็นหนี้เขาไปใช้คืนเขาก่อนพอหมดหนี้แล้วเราค่อยมาทําบุญต่อเจ้าขาพระอาจารย์เพราะเงินเงินที่เป็นหนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของของเจ้าหนี้เขา ยังเดี๋ยวเราไม่ยามคืนเขาให้น้องเก็บไว้ก่อนอนะคะเพราะว่ายอมยมเคยเป็นหนี้เยอะแยะแล้วโยมก็ทําบุญเยอะๆแต่มยมอมประมาณว่าก็ไม่ได้บุญอเพราะก็นำเงินเอ า, เอาคือได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปเพราะเอาเงินของเขามาทำมํำบุญแทนออไม่ยอมเงินของเราเองเป็นเงินของคนอื่น เจ้าค่ะแต่เราก็ชําระหนี้ตลอดนะคะพระเาถ้าทเจ้านี้มันก็กลายเป็นบุญขึ้นมาเงินที่เราทำบุญก็กลายเป็นบุญขึ้นมาแต่ถ้ายังไม่ชําระหนี้ก็ยังเป็นเป็นบาปอย่อันเป็นเป็นเงินของเขาอยู่ไม่ใช่เงินของเราเจ้าค่ะขับเพระคุณเจ้าค่ะเห็นถ้าใช้หนี้ไปก่อนนะเพราะการใช้หนี้ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะพระเจ้าบอกการไม่มีหนี้เป็นเป็นความสุขอย่างนึงเป็นบุญอย่างหนึ่ง วเวลามีนี้เราจะมีความไม่ค่อยสบายใจทุกข์ใจวิตกกังวลเราต้องต้องค อ, อยใช้หนี้เขางั้นก็ใช้ใช้หนี้ไปให้หมดก่อนแล้วค่อยมาทาบุญอย่างใช้หนี้พ่อแม่ก็ต้องใช้พ่อแม่มีบุญคุณกับเราก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ก่อนแล้วค่อยมาเลี้ยงดูพระสองฆอ์เจ้าต่อไป <Okay. S 1> อต้องต้องดูแลพวกนี้ก็คุณกับเราก่อนใช้หนี้ก่อนพวกเราทุกคนมีหนี้สินกัน นี่สินจากคนที่มีพระคุณกับเราเราต้องทดแทนมุลคุณท่านเหล่านั้นก่อนแล้วเราที่เหลือเราถึงค่อยเอามาทํามุลได้เจ้าค่ะอาจารย์อาเชิญถามได้จ้าค่ะอาจารย์เออโยมโยมคิดถึงแต่ความตายความตายคือคิดถึงแต่ความตายความตายพอยมพูดเขาแต่ก็ว่าเธอจะพูดทําไมนะ เธอพูดอะไรแต่อย่างความตายความตายยิ่งยิ่งเห็นแผลยิ่งเห็นความเจ็บตัวเองทำไมโยมตอบตัวเองไม่ถูกว่านั่งมองก็พิจารณาไปอยู่เนี้ยนะคะเดี๋ยวมันเน่าเดี๋ยวมันอะไรกับกับแผลตัวเองอะคะ่ะโยมโยมฮะโยมโยมปกติใช่ไหมคคือเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเราไม่ไม่ใช่เอาไปเผยแพร่ให้คนอื่นเขา <c oughs> เขารู้เฉพาะตัวเราไม่ใช่เอาเรื่องของความตายไปบอกคนอื่น เรบางทีคนอื่นก็ไม่พร้อมที่จะฟังโอค่ะใ น, น, นเรื่องที่มาสอนใจเราคนเดียวให้เราตรงให้เราวางแต่ไม่ได้ไปถ้าเอาไปสอนคนอื่นคนอื่นก็ยังรักสวยรักงามเขายังอยากจะมีชีวิตอยู่พ อ, อเราไปพูดอย่างนี้ก็จะทําให้เขาเกิดอาการมไม่สบายใจขึ้นมาค อย่าไปบอกใครถ้าเราคิดถึงความตายอย่านี้ให้อยู่ในใจเราโอคค่ะพระอาจารย์นอกจากว่าถ้าเ้าถามว่าคุณกาลังคิดอะไรในใจอยู่ก็บอกเขาไปได้กาลังคิดถึงว่าเราจะต้องตายแต่แล้วก็ไม่ถามว่าอย่าไปบอกเขาเจ้าค่ะจนโยมรู้สึกว่าถ้าพี่น้องคือการสูญเสียแต่งเนี้ยโยมไม่รู้สึกเศร้าแะเท่าไรจนญาติพี่น้องบอกว่าโยมไม่รักพี่รักน้อง ไม่โยมก็รู้สึกไม่เกี่ยวกันครับก็รักอยู่เพียงแต่ว่าไม่เศร้าเท่นั้นเขามันไม่เศร้าไม่ไหนเราไม่รักเขานท่าไหร่รักค่ะคนละเรื่องกันกโอ้โหค่ะพระอาจารย์จนเขาตําหนิมากก็ ถึงว่าถึงอย่าไปบอกเขาไงเราต้องบางทีก็ต้องเล่นละครไปไหนทำเซ่แซ่ห้เสียใจเสียใจเขาแสดงความเสีย ใ, <laughs> ใ, <c oughs> ใจด้วย <c oughs> เมื่อเวลาคนเขามาบอกเราคนนั้นตายคนนี้นตายเราบอกอขอเขาแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง <c oughs> นายบอกย <c oughs> ินดีใจได้ไงเ <c oughs> ขาไม่เข้าใจ <c oughs> พยอมก็เลยผิดปกติเขาก็ว่ายมผิดปกติตไปงานมุก โยมบอกว่างานงานศพมันคืองานมงคลนะมงคลชีวิตนะเขาเขาว่าโยมผุดปกติเขาไม่อย่างนั้นเขามาตายนี้ห้ามพูดในบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจสมมุติของโลกเขาเขาชอบอะไรเขาชังอะไรเราก็ต้องปฏิบัติตามเขาแต่ในใจเราอีกเรื่องหนึ่งล้วในใจเราเราก็เอาธรรมะของพระเจ้ามาเป็นที่ยึดเหนี่ยว แต่ในทางสังคมนี่เราก็ต้องดูการละเทศะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมโยณจะปรับตัวเองค่ะขอบรากขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ทางต่อได้ถามต่อยั่าต่อค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมขออนุญาตถามหนึ่งข้อนะคะคือเวลาเราใส่บาตรนะคะ ถ้าเราตั้งใจทำอาหารเองถวายหรือเราไปซื้อเข้ามาแต่เราก็คือตั้งใจเหมือนกันนะคะสองแบบนี้แบบไหนได้บุญมากกว่ากันคะทำเองก็ได้บุญมากเกินเพราะเราต้องทำเองด้วยเสียสตังแล้วยังต้องทาเองด้วยก็ได้สองต่อแต่ถ้าทำเองให้คนอื่นเขาซื้ อ, ซ, อซื้อของเข้ามาทำล้วก็ได้ต่อเดียวก็ไม่ให้ต่อเดียวได้อย่างเดียวคือได้ได้บุญที่เกิดจากการเสียเงินไป ถ้าเราเสียเงินร้อยบาทเราก็ได้บุญเท่ากันในส่วนนี้ส่วนเงินที่เราเสียไปค่ะแต่ส่วนที่เราทําเองนี่เราจะได้ความเพียนในในบุญที่เกิดจากความขยันหมั่นเพลินอันนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างคนละบุญกันออีกคําถามนึงเจ้าค่ะพอดีว่าแม่ของโยมค่ะท่านเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ว่ายังฝันเห็นอยู่แต่นานๆทีนะคะโยมก็เลยไม่แน่ใจว่า ที่ฝันเห็นนั้นเป็นเพราะเราคิดถึงท่านเองหรือว่าเป็นวิญญาณท่านคะ่ะส่วนให ญ, ญ่ก็เป็นเพราะเราคิดถึงท่านเองแต่ถ้าเราถ้าเราอยากจะให้มั่นใจเราก็ทําบุญ อ, อุทิศไปก็ได้ไม่ไม่เสไม่เสียหายอะไรบเพราะเร า, าไม่มียานอย่างทราบเราก็จะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นเขาหรือว่เาเป็นเราคิดถึงเขาค่ะขอบพระคุณมากค่ะทุกครั้งที่เราคิดถึงคนตายก็ <c oughs> ทําบุญใส่บานแล้วก็กดน้าไปให้เขาก็แล้วกัน แต่ส่วนมากเวลามาปฏิบัติธรรมที่เนี่ยค่ะจะจะฝันเห็นฝันเห็นท่านก็ได้ก็ได้ค่ะก็แล้วแต่เราได้สาธุค่ะขอบพระคุณค่ะเจ้าค่ะ ม, มีคำถามจากแม่ชีชุติรักขอถามพระอาจารย์ว่าสักยะทิฐิคือการแยกกายและจิตได้ใช่ไหมคะ ก็อย่างนั้นน่ะจิตกับกายเป็นคนละคนอย่างเงี้ยจิตเป็นผู้เป็นนายกายเป็นบ่าวจิตก็จะรู้ว่าเมื่อก่อนนี้จิตคิดว่ากายกับจิตเป็นคนเดียวกันเป็นตัวเดียวกันแต่พอพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็จะแยกออกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเป็นคนสองคนเวลาร่างกายเป็นอะไรไปจิตไม่ได้เป็นไปกับร่างกายที่จิตกลัวจิตทุกข์ก็เพราะเมื่อก่อนคิดว่าจิตเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรจิตก็คิดว่าจะเป็นไปกับร่างกาย แพอพิจารณาด้วยปัญญาก็สามารถแยกออกว่าจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดส่วนร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตุสี่เจ้าค่ะจากคุณปนัดดาข้าพเจ้าอยากมีดวงตาเห็นธรรมต้องทำอย่างไรคะก็ต้องปฏิบททัติธรรมเดินเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วพอได้สมาธิแล้วก็มาใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นอริยา ส, าสัจสีเห็นอะ เห็นใจรักห็นนิจจังทุกขังอนัตตาเจ้าค่ะคุณแจนถามเข้ามาว่าขอหลักในการยึดเหนี่ยวเพื่อให้มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติเจ้าค่ะให้สามารถปฏิบัติอย่างเข้มงวดไม่ขี้เกียจหรือท้อในการปฏิบัติภาวนาเจ้าค่ะก็ให้มันปฏิบัติบ่อยๆมันฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆเพราะเราได้ฟังธรรมเราก็จะเกิดศรัทธาแล้วเราก็จะปฏิบัติ พอปฏิบัติเราได้ผลเราก็อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปงั้นต้องศึกษาต้องปฏิบัติอย่าอย่าทิ้งทั้งสองอย่างนี้ต้องทําควบคู่กันไปสลับกันไปเช่นตอนนี้ฟังธรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปนั่งสมาธิต่อพอนั่งสมาธิเสร็จกลับมาฟังธรรมใหม่ก็ได้ทําสลับไปสลับมาอย่างนี้อย่าทิ้งการปฏิบัติอย่าทิ้งการศึกษาเราจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของการปฏิบัติของเราเจ้าค่ะคุณชาวลิศถามเข้ามาว่า พระอริยบุคคลแต่ละระดับจะมองเห็นหรือเข้าใจในสักกายะทิฏฐิแต่แตกต่างลึกซึ้งกว่ากันมากน้อยไหมครับไม่ต่างกันอะมันเป็นวิชาเดียวกันมันนั่งเรียนที่เรียนหนในห้องเรียนวิชาเดียวกันก็จะเข้าใจเหมือนกันหมดเจ้าค่ะคุณปลายฟ้าถามเข้ามาว่าต้องตั้งจิตอย่างไรคะ บางเวลามองไปเห็นผู้คนเป็นโครงกระดูกตกใจนะเจ้าคาขอบพระคุณคะ่ะแค่รู้เฉยๆไปพอจะตกใจก็ใช้สติหนึงใจกลับมาให้ใ ห, ให้ให้หายตกใจนึกถึงพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วใจที่ตกใจก็จะหายไปกลับมาเป็นใจปกติต่อไปได้ต้องมีสติคอยควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาแล้วใจจะไม่ตกใจจะไม่ตื่นเต้น เจ้าค่ะคุณสุกัญญาทางทางช่องด็เตรวีเจ้าค่ะการได้สมาธิอาการเป็นอย่างไรคะก็อาการก็นิ่งสงบไงจิตที่คิดฟุ้งซ่านก็หายไปเหลือแต่จิตที่นิ่งสงบสบายใจขึ้นมาเจ้าค่ะจากย t u b e พระอาจารย์ขอสอบถามอีกข้อเจ้าค่ะพระอรหันต์จะมีความฝันใหม่เจ้าค่ะอันนี้ต้องถามพระหลหัา น, านดู คุณจีาารารสหนจ้ากล่าวดังนม้สักการค่ะกระแสะการใช้เสื้อผ้ามือสองกำลังเป็นที่นิยมการนำเสื้อผ้าของเราที่ใส่อยู่เป็นเสื้อมือสองแต่ยังชอบใส่อยู่ไปทำทานจะได้บุญเต็มร้อยหมค้ากราบกับพระคนค่ะได้เงินได้ประหยัดเงินซื้อของถูกมาใช้อย่างพทาุทเจ้านีสอนพ้าใช้ของฟรีให้เก็บผ้าห่อศพมาใช้ เขาเนรยมมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วใช้ของเก่าไม่ใช่มานิยมยุคนี้กันเนี่ยผ้าจีวงของผ้าสมัยก่อนนี่เอามาจากผ้าห่อศพทั้งนั้นเขาเรียกผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลก็คือผ้าป่าผ้าที่เก็บมาจากป่าช้าเขาก็เรียกสั้นๆว่าผ้าป่าอันนี้เป็นผ้าป่าช้าผ้ามาจากป่าช้าผ้าห่อศพสมัยก่อนเขาไม่นิยมเผาศพไม่ได้ไม่นิยมผังศพ เขาเอาเอาวลาคนตายเขาเอาผ้ามามัดแล้วก็ไปทิ้งในป่าช้าให้มันเน่าเปื่อยผุพังไปเพราะแต่ผ้าก็ยังหลงอยู่เหลืออยู่นักบวชที่ต้องการจะหาผ้ามาตัตดเย็บจีวรก็ไปเก็บผ้าในป่าช้ามาใช้เจ้าค่ะจากยูทู ขอโอกาสเจ้าคะ่ะท่านพระอาจารย์ถ้าเป็นหนี้ที่พี่สาวเคยช่วยส่งสมัยเรียนบางส่วนแต่พี่สาวไม่เอาคืนแต่เราก็ตั้งใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะใช้คืนแบบนี้ถือว่าเราเองก็ยังติดหนี้อยู่ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ่ะ ถ, ถ้าเจ้าหนี้เขาไม่ถือว่าเป็นหนี้ก็จบแต่ถ้าเราอยากจะทดแทนมูลคุนเขาก็ดีเราอาจจะรอโอกาสเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเรา ตอนไหนที่ก็ยังตอนนี้ก็ยังอยู่สบายอยู่เขาไม่เดือดร้อนอยู่ก็เราก็ไม่ต้องไปทําอะไรแต่ถ้าเกิดเขาเดือดร้อนขึ้นมาต้องการความช่วยเหลือเราก็ไปใช้แตเ่เราก็ไม่ได้ไปใช้นี่เพราะก็ไม่ถือว่าเป็นนี่แนละ้วแต่เป็นการทดแทนน้ําใจก็แล้วกันพวกคนเขามีน้ําใจกับเราเราก็อยากจะมีน้ําใจกับเขาต่อไปเป็นความเมตตาเจ้าค่ะจากคุณเล็กเจ้าค่ะพระอนาคามีต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมคะ ไม่แล้วผ่านาคาม่ไม่มีความอยากจะเสกามแล mm ้ว hmm. ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกนิ้นกายก็เลยไม่ต้องมีร่างกายแต่ยังไปติดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมอยู่จากคุณชายสีบะหมี่เกี๊ยวถ้าเราอยู่สวรรค์เราจะจําได้ไหมว่าอยากทําสมาธิบนสวรรค์จากที่ลูกปวดก็ต้องลองไปอยู่ดูดิว่ะ <laughs> ค<ท>ำถามหมดแล้วโอเคหมดแล้วก็เวลาพอสมควรอ่าอีกข้อหนึ่งเอาอ่านอีกข้อหนึ่งขออนุญาตนะคะโยมอยากจะขอถามอีกหนึ่งคำถามค่ะทางรัดในการทำวิปัสสนาค่ะเวลาเราทำสมาธิวิธีรัดที่ทำให้ดำเนินวิปัสสนาได้ไวที่สุดอะคะ่ะ ก็ทำมากมากไงท่านที่สุดก็คือการทำมากมากทํามากมากอ่าทำน้อยน้อยมันก็ไม่รั้นถ้าทํามากๆมันก็รั้นทําตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยทางรั้นค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ